ถาว่าถ้าจิตเกิดหวันไหวขึ้นมาเนี่ยรูปธรรมทัม้งหลายวันไหวไหมเนี่ยไม่ต่างกันฉะนั้นพระธรรมาจากของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเวลาหมุนเข้าสู่กระแสขันของใครเนี่ยวันไหวหมดแหละจากปุรุชนอยู่ดีๆกลายเป็นอริยะบุคคลเนี่ยธรรมดาสมอะไรล่ะกระแสศีลสมาธิปัญญาถ้าหมุนลงสู่กระแสขันของใครได้นี่เราท่านทั้งหลายเอามิจฉาทิฏฐิไปกั้นก็ไว้ตรงที่ไ ด, ด, ด้กล่าว <laughs> กั้นไปต้านไปต้านธรรมจากของพระเจ้าซะนี่ ก็เลยหมุนไม่เข้าใช่ไหมไม่หมุนลงสู่ไม่ประชุมลงสู่ขันท่าในยัตนาของเราท่านทั้งหลายเลยทรนี้นาข้าวนาข้าก็เลยไม่ไหวในใจเราเลยใช่ไหมกิเลสก็ไม่สถานสะเทือนในใจเลยในตอนนั้นก็คือว่าเป็นพุทธประเพณีในการที่พระบรมศ า, ศาสดาแสดงธรรมจักรกประวัตนาสูตรหนักยิ่งนักประหนึ่งว่าพื้นแผ่นปฐพีนั้นจะทรงรองรับพุทธคุณนั้นไม่ได้ คือเวลาพราะองค์ทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปในครั้งแรกเนี่ยลองคิดดูที่ว่าพรหมในจักรวาลทั้งหลายมาฟังเนยนะแต่ว่ามาฟังเทวดาและพรหมทั้งหลายที่ได้บรรลุเนี่ยเฉพาะพรหมที่นับว่าสิบแดโกดเทวดายังไม่นับ เ, เป็นต้ น, เ, นเกิดกัมปนาทวานันเป็นมหาสจันทร์ทั่วโลกธาตุก็เพราะความที่เกิดกัมปนาทวันไวในประภีนั้นเน่ จากแก้วของรบรมโพธิสัตว์ก็เคลื่อนจากที่ตั้งเป็นนิมิตเหตุแห่งแห่งประจักรเกตาคือปกติคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าจักเคลื่อนที่เนี่ยแปลว่าเสียหายเนะโดยมากถ้าคิดไปในรางไม่ดีแปลว่าตนเองนั้นจะเคลื่อนแล้วใช่ไหมบุญน่าจะหมดแล้วถ้าพูดถึงอย่างเท้าส ก, กาก็ถ้าบุญจะหมดก็เกี่ยวกับในเรื่องของพวกผิวพันธุ์เศร้าหมองบ้างเสื้อผ้าเศร้าหมองเป็นต้นเนะ แล้ในที่สุดจริงๆก็ขวิมานก็เศร้าหมองเหงื่อก็ออกกระจักแล้วเนี่ยแต่ว่าตนเองจะตายแล้วตอนนี้ถ้ามนุษย์ใกล้ตายเป็นอย่างนั้นไหมมีนิมิตหมายบ่งบอกไหมวราบางคนนี่ไม่รู้ตัวเนาะที่จริงถามว่านิมิตนี่ปรากฏกับเราทุกวันไหมนิมิตของความตายเนี่ยปรากฏตลอดไหมแต่เราไม่ค่อยสังเกตเองเราเนี่เห็นนิมิตของความตายทุกวันนะ น, นิมิตของความตายมาบอกตลอดเลยถามว่าความเกิดเหิด เราเราเกี่ยวข้องกับเราตลอดไหมคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรต่างๆเหรอเนี่ยอันนี้คือนิมิตของความตายเนะนิมิตของมรณะภัยเนอะมาบ่งบอกให้เรารู้นะแต่อัฏฐะตัวนี้เราไม่เห็นนั่นเองตรงนี้เนี่แหละเหตุที่ทําให้จักรเคลื่อนนะี่ยสองประการนะเป็นธรรมดาของจักรแก้วของบรมบุตรพระเจ้าจากักรพรรดนั้นๆเน่ยนะมาหามาตราชาบุตรทั้งหลายก็ย่อมพันแล้วก็กล่าวในใน ในเสาทั้งสองก็บอกพันพันจักแก้วนั้นแล้วก euh. ็พันไว้ในเสาทั้งสองแล้วก็เอาเชือกนั้นอ่ะผูกเข้าไว้เบื้องบนแห่งกองจักแก้วนั้นแล้วก็ตั้งไว้ในท่ามกลางระหว่างเสาแล้วก็ระหว่างเชือกนั้นคันว่าเกิดกำปนาทั่วแผ่นดินแล้วเนี่ยกองจักกรัตนะคือจักแก้วนั่นนะก็พลัดตกลงจากที่ตั้งอยู่ภายในเสาทั้งสองกับที่เชือกที่ผูกนั้น ฝ่ายราชบัรฑุผู้อภิบาลรักษาได้เห็นแล้วก็ตกใจก็รีบไปกราบทูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระบรมจักรพรรดิเนี่ยนะพระ อ, องค์ได้สดับและสะดุงพระไทยคิดว่าจักรแก้วนี้เป็นที่นับถือขั้งคนทั่วโลกเนี่ยเศษชิ้ไหนจึงตกจากที่ตั้งก็ในขณะเดียวกันก็เอสคงจะเป็นอันตรายแก่เราหรือเป็นอันตรายแก่ราชสมบัติหรือราชบัลลังก์หรือไม่ก็เรียกโหราราชเนรมิตรตกาจานเนี่ยนะมามาถาม ฝ่ายหัวราชาในราชครูเนี่ยนะผู้นิมิตหมายก็พยากรณ์กราบทูลบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่สมมุติเทพนี่นะเหตุที่ทําให้จักแก้วเคลื่อนนั้นมี2ประการนะบอกว่า1เป็นนิมิตแห่งอันตรายต่อพระชนของพระเจ้าจักรพรรดิประการหนึ่งแล้วก็เป็นนิมิตหมายแห่งการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าประการ1ทีนี้ก็ในเหตุต่างๆเหล่นานั้นจักรรัตนในการนี้จะเป็นปรากฏนิมิต และชีวิตอันตรายของพระ อ, องค์ก็หาไม่ได้ว่างั้นแต่เป็นนิมิตหมายแห่งการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสีสักยะมุนีได้ตรัสรู้แล้วนโลกนี้สมเด็จพระชินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีพระเกียรติศัพท์อันบุรือนะด้วยอดุญญคุณในนะในมิตรกานามเป็นต้นเหล่าเนี้ก็ไล่ไปตามลําดับเลยตั้งอิติปิโสพระกวาหลังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นนีไล่พุทธคุณนะนะกล่าวคือคุณของพระเจ้าให้ พระเจ้าจักรพรรดิได้ฟังว่าพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพระคุณเนี่ยมีมีพระคุณอย่างนี้ก็อิทิบิโสพระกราเวลาเราสาธยายอิทิบิโสพระกราหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจนะลสมปโนสุกโตโลกวิโดวินโนในขณะที่สาธยายไปเนี่ยใจคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ชัดไหมชัดไหมเอาเวลาเราสวดบาลีนึกถึงคุณอัตถะของคุณนี่ออกมาชัดไหม ชาติไม่ชัดิรือหรือสวดแล้วธรรมดาลองลองสาธยายสักหน่อยได้มายังต้องถามสักบทหนึน่ะสาธยายพร้อมกันอนะิติปิโสบาควาอะระหังมาสัมบุทรวิจ า, จารณาสัมสุขโตรโรกาวิดู อนุตตรโพริสาธรรมท่เดวมนุสสานังพุทธบคาวะติเอ้านึกอะไรได้บ้างอ่ะเอาเคเ็ญคิดอะไรได้บ้างเลยนึกบาลีแล้ว ล, ลืมภาษาอัถะเลยไม่ออกทันเลยเอ้าแล้วนึกอะไรได้ไหมถามจริงว่า เนยเวลาระลึกในลักษณะอิติปิโสภควาเนี่ยโดยมากเราก็นึกไม่ค่อยออกนึกไม่ค่อยทันหรอกอันนี้เป็นปกติที่การสั่งสมของเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ค่อยแข็งแรงอย่าแปลกใจเนาะอย่าแปลกก็เหมือนที่บางท่านเนี่ยเวลาเขาสวดอิติปิโสภควาเนี่ยเขาสาสาธยายได้หรือ อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณสัมปโนสุกโตโรกวิทูนุตโตปุติสมมาสารติสัทธาเทวนุสานังพุโทโภภควาติภควานเนี่ยถ้าภค ว, วาคำนี้บางคนเนี่ยแต่ละศัพท์เขาสามารถสาธยายเพื่อนเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวอะไมาจะไปให้เขาทำสีหลอกสาธยายรัตนามาลาอ่าแล้วก็เอาไว้แจกเขนาน เดี๋ยวจะให้เขาพิมพ์ให้ดูดีๆหน่อยเอาไว้แจกนะแล้วก็าวานั้นก็มาสาธยายเวลานนั้นจะได้เอาไวส้สวดมนต์ไว้สาธยายว่าจะแปลออกมาแล้วก็จะได้รู้ความหมายอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าวานี่เนะมาจากคาว่าวาปีตังวาราปราวปราวปาลังธรรมังวานโมคายาภิกขูนัง วาสิตังปวาวเรดามวาณานังนมามิหังบอกพระธรรมอันบวรอันพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแพร่หลายไปแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นต้นก็คือพระวินยัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกที่ออกจากพระโอษของพระบรมศาสดาเนี่ยแพร่หลายลงสู่กระแสจใจ ของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแล้วก็ประชุมลงสู่กระแสขันของท่านทั้ง ห, าหลายแล้วเนี่ยเหล่านั้นน่ะเป็นไปเพื่อให้พ้นจากวาณนะกล่าวคือตัณหาเครื่องร้อยลัดในพบน้อยพบใหญ่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงที่มีพระหมหากรุณาธิคุณในการกล่าว อัธโรธทำมารด์กาคือว่าทำคำสอนเนี่ยเพื่อบ่มเพาะอัธยาศัยของสัตว์ตั้งหลายให้ตัดสู้นุตตะลาสัมให้ตัดสู้ซตามพระผู้มีพภาคจเจ้าพระองค์นั้นด้วยด้วยเสียงกลา่าวนั่นเห็นไหมว่าแค่แต่ละคําแต่ละคําเนี่ยเขาก็คิดในการที่จะนอบน้อมพระผู้ได้เจ้าได้หรืออย่างคําว่าพักขาวาแล้วก็มาติตินโนโสสาภา ป, ปะเปหี สินโนสักขาปฏิทิโตติเรนิพานาสิกาเตติขายานังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพ้นแล้วจากบาปทั้งปวงแล้วจากพ้นจากภพทั้งปวงมีสวรรค์เป็นต้นนะตั้งมั่นแล้วที่ฝั่งคืออนุปาทาปรินิพานข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพญานันเชียบแหลมพระองค์นั้นตรงเนี้ย ฉะนั้นเวลาเขาสาธยายคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสที่จริงอรหังท่านขยายไว้ตั้ง11กลอมหมายเนี่ยนะอัตตกถา5้ดีกาหเนี่ ย, าานยในการนั้นนะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าอารหังเพราะอะไรเพราะแรงคุณควรจะสัพพากิเลสทั้งหลายน้อยใหญ่นั้นละได้หมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงซึ่งอุดมมาคุณคือเป็นทักษิเนยบุคคล อาจในทำอานิสง์ผลให้มากเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นท่านให้ความหมายในคัมภีสัมปรลาวิบากนียก็หมายความว่าเป็นถาว่าเป็นผู้ควรต่อการบูชาได้ปัจจัยทั้งหลายฉะนั้นปัจจัยทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกในภพมโลกในเทวโลกทั้งหลายเนี่ยนำสมควรที่จะนำบูชาท่านสมควรที่จะนำบูชาพระเจ้าทั้งสิ้น ปัจจัยทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแก่การที่จะสามารถบูชาได้เช่นรัตนนาทั้งหลายที่มีอยู่ในมหาสมุทรเงี้ยรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในโลกรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในอุตรากุรุทวีปปุภาวิเทหทวีปแล้วก็อัปราโคยานทวีปรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในทวีปน้อยใหญ่สองพันเป็นบริวารรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในแสนโกดจักรวาลรัตนนาทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์ทุกชั้นแล้วก็พรมทุกชั้น รัตนนาต่างๆเหล่านั้นหรือแก้วมณีมณีแก้วหรือรัตนนาต่างๆนั้นสมควรที่จะบูชาท่านพระทุกเจ้าเป็นผู้ควรต่อปัจจัยทั้งหลายควรที่เราท่านทั้งหลายจะนํำเอาปัจจัยหรือว่ารัตนนาต่างๆเหล่านั้นนอบน้อมบูชาถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนั้นเถิดนั้นท่านที่มีบุญทั้งหลายนะท่านผู้ปรารถนาบุญทั้งหลายเขาก็น้อมสักการะหรือของสิ่งของต่างๆในนี้ไปบูชาท่านอย่าว่าแต่สิ่งของภายนอกเลยถามว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แล้วแสดงว่าเราเอาขันห้าในบูชาผู้ได้เจ้าอยู่ถามว่ารัตนะนะใช่ดินน้ําไฟลมไหมแล้วดินน้ําไฟลมอยู่ในในขันของเราด้วยใช่ไหมก็ขนาดดินน้ําไฟลมที่มีใจครองรอยู่เรายังกล้าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วดินน้ําไฟลมที่ไม่มีใจครองทําไมจะไม่กล้าจะถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมใช่คนก็คิดเป็นเนี่ยคิดเป็นแล้วก็น้อมแล้วก็ทําได้ใช่ไหมใช่ก็ขนาดกายวาจาใ จ, าจาาตัวเองเนี่ยเนาะ ขนาดมีใจมีใจเนี่ยลราห่วงไหมจริงๆนะี่ะใช่ไหมคนเรามีความตนหนีตนหนีในขันของตอนเองมางคนเป็นตนหนีขันของคนอื่นด้วยจะไม่ใชห่วงห่วงบริวารเนี่ยเพื่อแปลกดีนะบางคนเนี่ยขนาดว่าลูกเก๊สุดๆเลยเนะ่ยมาก็บอกเอาไม่ได้ถวายพุทธเจ้าเดี๋ยวมาจัดการหนึ่งไม่หรอกเขว่านียังตันหนีของไม่ดียังตนหนี ออกมาบอกเดียวามาไปขัดเกล้าเองบางคนก็าให้มาพอไปขัดเกลาวเว้าไปเสร็จพอดีหน่อยมาเอากลับคืนไปแล้วโอ้ลำบากยังถ้ เ, เป็นงี้นะยอมในแปลกดีบางทีอุ๊ยเอาไม่อยู่แล้วไปไปมานึกไม่ได้คิดถึงพระเอามาให้บอกโอูไม่ไหวเลยเลี้ยงไม่ไหวแล้วพ่องให้ไปเสร็จพาก็โอ้ยกว่าจะอบรมได้ใช่ไหมเจ็ดปีเนะี่ยบางคนเนี่ยโอ้โอหห็นดีหน่วยก้าเริ่มดีหน่อย โอ้ท่านรู้สึกตอนนี้ไม่มีใครช่วยงานเลยสงสยัยเมาลูกศึกไปอนไปอีกแล้วเออแปลกดีตนีนะเนี่ยเราตหนีในในในในสรราวิญญาณระครับทราบที่มีวิญญาณครองนี่ความตนีแล้วลิษยาด้วยไหมริษยาความตนีเนี่ยเป็นเหตุทาให้คนทะเลาะกอันออกนั้นถ้าไม่มีริษยาและความตนใีในใจในศัตว์โลกไม่ทะเลาะกอันให้สังเกตไปดูในส ก, กัดปัญหาสูตรที่ไปดูเลย ท้าสกาถามพระเจ้าใช่ไหมว่าทํำไมคนเราก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความร่มเย็นปรารถนาสมัครสมานสามัคคีให้โลกเราอยู่เป็นสุขทําไมเกิดการขัดแย้งนี้ตลอดพระเจ้าบอกอ๋อความริษยาและความทะนีเป็นเด็เดเอาอะไรเราเป็นปัจจัยทําให้เกิดความริษยาความทะนีบอกอ๋ออารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเลยแล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่อารมณ์ที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักอะไรไมาฉันท่ามาฉันท่าที่เป็นไปกรตันหาอ๋ออะไรเป็นปัจจัยเกิดฉันท่าที่เป็นไปกรตันหาออวิตกวิตก ตามมวิตกพยาบาที่ตกเป็นต้นแล้วอะไรเป็นปัจจัยเกิดวิตกอะไรดีทิฏฐิมานะสัญญาที่เป็นไปกับทิฏฐิมานะตันหาทิฏฐิมานาะไอปะปันจะทำนี่แหละหวังงั้นก็เลยบอกโอ้เห็นไหมสัตว์โลกทั้งหลายยังถอนตันหามานะทิฏฐิไม่ได้กล ะ, ละลิสยาแล้วก็ะความจะนีไม่ได้เข้าใจเงี้ยนั่นจะถ้าเราต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายไม่ขัดแย้งกันน่ะมีวิธีเดียวเข้ามาศึกษาพุทธธรรมให้ชัด คำสอนให้ชัดแล้วในสูตรจริงๆเดินวิปัสสนาญาณแล้วก็ละตัณหาเมตติติเสียแล้วจะไม่ขัดแย้งกันก็เห็นพระเสอดาบันทะเลาะกันไหมไม่มีหรอกไม่มีสูตรไหนเจอเลยใช่ไหมนั้นยังถ้าปุถุชนทะเลาะกันปกติไหมถ้าพระเสดาบันทะเลาะกันไม่มีไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะเพราะในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีภาริยาไม่มีภริยาไม่ใช่ประกาศเป็นภาริยาไปขัดแย้งคนอื่นนี่ไม่ใช่แล้ว ตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ควรแก่สัพท์นะแก่ทักขีญาณทั้งหลายนะควรแก่การที่เราจะไปบูชาพระนามว่าสัมมาสัมพุธทธพร佛ตัสรู้ได้ด้วยอํานาจแห่งบา ร, รมีธรรมทั้งหลายมีทานบา ร, รมีเป็นต้นพระองค์สั่งสมมาอย่างช้านานถึง16อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัฐทำทั้งปวงมาบังเกิดพร้อมในอาัยของพระผู้มียาภาคเจ้านี่นเป็นอดุลยไใหญ่ก็หมายความบอกว่าลองคิดดูนะว่าเวลาที่ ก่อนจะได้ตัดสรุนี่นะสร้างบา ร, รมีมา16อสงไขยใช่ในกลุ่มที่บังเป็นบา ร, รมีแบบประเภทที่แบบแบบยาวไกลแบบ60เนี่ยเนะี่ยแบบแบบแปอสงไขยเนี่ยนั้นพอมาเป็นนิยตาโพธิสัตว์นี่คือ16อสงไขยสิอสงไขยนี่เป็นนิยตตาโพธิสัตว์พอได้ตัดสรุนี่นะจะสิบหรือว่า8หรือ4ก็แล้วแต่เนี่ยนะพอได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บ ท่านบอกทำทั้งปวงมามาเกิดพร้อมในอณาไทยของพระ อ, องค์เป็นอดุลย์ใหไหนแปลว่าอะไรเวลาพระ อ, องค์ได้สัพพัญญตยานมาแล้วถามว่าสัพพัญญตยานเนี่ยนะก็คือมหากริยาญาณสัมปยุตที่ได้มหากริยาญาณสัมปยุตพ่อได้อรหธรรมะอาราถผลท่า น, นอาราถธรรมะอาราถผลนั้นนะ่ะแทงตลอดสัจจะทั้ง4ใช่ไหมเกิดหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วอาราถธรรคเนี่ยเกิดหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วแต่ผล ผลจากล่องลอยที่อารรมมักได้อย่าลืมนะว่อาาธรรมมักที่ได้มาเนียมาจากบารมี30ทัตส16อสงไขยหรือ80ที่บ่มมาอย่างยาวไกลนะเพราะนั้นพอได้ตัดสรุปปุ๊บต่อมาเนี่ยสัพพัญญตยานเนี่ยเป็นผลัน้นเวลาสัพพัญญตยานเป็นผลเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยลงสู่กระแสใจของท่านทั้งหมดเลย ฉะนนเวลาสัพัญญตยานเนี่ยปารบอะไรก็เห็นสิ่งนั้นทะลุทะลวงสิ่งนั้นทันทีทั้งสัพพัญญตยานและนาวรณญ า, านไม่มีอะไรกีดขวางได้ฉะนั้นถ้าพระองค์ต้องการจะปรารถนาอยากจะรู้เออปรารถนาเนะีจะรู้นะจะรู้แสนโกดจักรวาลเนี่ยไม่ไม่ทันหายใจเข้าออกรู้ทันทีเลยนี่แหละทำทั้งปวงจะมาประชุมลงสู่กระแสใ จ, จของพระองค์อย่างอดุญญาย์ใยอย่างมากมายเลย แปลว่าดํมบลิจะรู้เรื่องอะไรรู้ทันทีไม่ต้องเดี๋ยวขอคิดก่อนไม่ไม่มีนั้นะเวลาใครจะไปถามปัญหาพ่าบรมศ า, ศาสดานี่นะเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอถามปุ๊บตอบทันทีเลยเอานั่งร้อมกันเนี่ยจะกร้อยคนถามปัญหาพร้อมกันพระเจ้าตอบเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวถามที่เราคนไม่ต้องถามพร้อมกันเลยเราสี่คนไหวไหมเอานั่งสี่ทิศเนาะมาถามปัญหาเอาแค่คนมาหาเราเนี่ยนะมาถึงเบเสร็จปุ๊บก็บอกว่า แค่สองคนเนี่ยพูดทีละคนใช่ไหมจ๊ะคนมารายงานอะไรต่างๆก็สังเกตว่าพูดทีละคนฟังไม่ทันเพว่ามีคนบอกอามาบอกอามาบรรยายไว้แล้วเกินฟังไม่ทันเห็นไหมว่าความคิดของสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยพูดเร็วไม่ได้แล้วอามาก็เลยต้องเพิมฝึกขัดพูดช้าๆตัวนี้แล้วพูดยากเกิน พูดพูดช้าพูดยากนะคือเคยพูดไวเนี่ยพอมาพูดช้าย่ก็มาฝึกฝึกนะแต่จริงจริงๆถ้าพูดปกติพูดช้าเนี่ยแต่เวลาเวลาสแสดงทำเนี่ยคือจิตจิตตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงนึกนึกถึงคําสอนพูดยาเนี่ยคือแล้วก็ใจก็จะไปก็ศรัทธาพวกพวกนี่เนะ่ ฉะน้นเวลาเวลากล่าวเออเวลาเวลาถ้าสัพพญุตยานเนี่ยพระองค์จะรู้ถ้าหลายคนก็ก็ถามว่าเอ อ, อสัพพัญุตยานเนี่ยใช้เวลาในการคิดนานไหมบกไม่นานถ้าบอกว่าโลกธาตุมีเท่าไหรอ่อ่ะใช่ไหมจั ก, กรวาลเออสัพพญุตยานก็รู้ได้เท่านั้นออถ้าแสนโกดโลกธาตุเนี่ยสัพพญุตยานก็รู้ได้ทั้งสิ้นนี่เนื้ ชนะตาตรีอะไรทั้งอดีตอนาคปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วและประณีตใกล้ๆทะลุทะลวงได้หมดเลยนะถ้าอนนาวรณยานก็ไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางเป็นต้นได้วิ ช, ชาเจรนาสัมปันโนก็ภัยบุ์ด้วยวิตรัยวิ ช, ชาและอัศดางขิกกวิ ช, ชาก็คือวิ ช, ชา8ดแล้วก็จรนาสิบห้าในรายละเอียดก็เดี๋ยวก็ไปดูนะสุกโตก็คือมีพระนิพานกตินะีก็คือดาเนินไปสู่พระนิพานโลกวิทูก็คือสัพพัญญตยานนะ รู้แจ้งสังขารและโลกแล้วก็โอกาสโลกสัตวโลกเป็นต้นอนุตตรโอภิสธรรมมาสารถีพระองค์เป็นสารถีผู้ทรมานบุรุษผู้ควรทรมานอย่างประเสริฐยอดยิ่งในไตรภพผพ้ทีเจ้าทรมานถามว่าพระองค์ทรมานนี่นะถามว่าเป็นผู้ทรมานเป็นสารถีผู้ทรมานบุรุษผู้ทรมานบุรุษทําไมถึงเรียกว่าทรมานเนาะทำไมถึงเรียกว่าฝึกกับทรมานนี่อันเดียวกันไหมสับเดียวกันไหม เขามาฝึกกับทรมานเนี่ยก็คืออย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะตาถามบอกว่าเป็นเชื่อที่จริงฝึกเนี่ยฝึกในที่นี้เป็นเชื่อของสิกขาสามนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้พธเจ้าเนี่ยสามารถจะฝึกหรือจะทรมานเนี่ยเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่เคยทรมานตนเองอย่มั้ยไม่เคยจะฝึกตนเองนั่นเองไม่เคยจะเอากระแสศีลสมาธิปัญญานี่นะไม่สามารถจะประชุมศีลสมาธิปัญญาลงสู่ความคิดได้ พระเจ้าเนี่ยมีอุบายวิธีในการที่จะให้สัตว์นั้นน่ยสามารถเอาศีลสมาธิปัญญาลงสู่ใจได้ เ, ดเอาอย่างเราคิดเองไม่รู้จะคิดยังไงนะเช่นคิดให้ศีลเกิดก็ไม่รู้จะคิดยังไงคิดให้สมาธิเกิดก็ไม่รู้จะคิดยังไงคิดให้ปัญญาเกิดก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรแต่พระเจ้ามีอุบายวิธีเพราะพระเจ้ารู้อัตยาใสของสัตว์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยว่าพระเจ้ารู้กรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ตเหล่านี้ทํากรรมอะไรมาเนี่ยควรจะฝึกประเภทไหนอย่างไรพระองค์ก็ฝึกให้เหมาะเจาะกัอัธยาใสของสัตว์นั้นเลย คือคนจะทรมานอย่างไรอ่ะถ้าทาให้สัตว์นั้นได้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้านั่นคืออุบายวิธีอย่างนี้เราเราไม่ชานฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าท่านมีอุบายวิธีในการฝึกแล้วอย่างการให้กรรมาฐานเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตลอดถึงใครจะมาประกาศเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานนะจะไปประกาศบอกกรรมาฐานกับคนอื่นหรอจะบอกได้ยังไงเราจะรู้ไหมามาถามตรงๆเลยอ่ะสมมติจะมีใครมาให้กรรมาฐานอามาเนี่ยามาจะถามว่าคุณรู้ไหม ว่าว่ า, ว, าว่าเรานี่รจริตอะไรอารู้ไหมรู้ราคะจริตโทรศัจริตโมหะจริตพุทธิวิตกศรัทธาไหมเอาไม่รู้อีกรู้ไหมว่าเป็นประเภทตัณหาจริตหรือทิฏฐิจริตปัญญาแก่หรือปัญญาอ่อนจะ <c oughs> มาเอาอย่างศรัทธาเราอ่อนไหม <c oughs> แต่พอถึงปัญญาอ่อนไม่ค่อยชอบ <c oughs> ชที่จริงคําว่าอ่อนในที่นี้คือน้อยเนี่ยคือน้อย คือยังไม่ค่อยมากนั่นเองดังั้นตรงนี้ก็คือว่าต้องต้องเข้าใจว่าบุคคลที่จะสามารถให้กรรมฐานได้คือพระพุทธเจ้าฉะนั้นคูบาญาจทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านเอากำรรมะฐานให้เราท่านทั้งหลายก็เอากำมะฐานของพระเจ้าเนยมาให้เนะี่ยเอามาให้กันนั่นแต่ว่ามันมีปัญหาเยอะนั่งเกยดูทีสมมุติว่าถ้าเราไปเจาะจงกรรมฐานเนี่ยพอเจอหน้าโง่หน้าตายอย่างนี้คุณต้องเจริญ ที่จริงกรรมฐานที่ทั่วไปนะมีอยู่นะเช่นพุทธคุณเมตตาวารณสติเงี้ยอสุภะาเงี้ยหรือการพิจารณาเกี่ยวกับให้เป็นให้เกิดสังเวชธรรมทั้งหลายนี่กรรมฐานนี่ได้ทั่วไปหมดเทุกจริตได้หมดแต่กรรมฐานบางกรรมฐานนี่ยเขเจาะจงเลยนะบอกไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องดูดูนี่ไปทำไปทำสังสารวัฏเขายาวไกลเอายุ่งเช่นเหมือนบางคนคนนี้เขาเดินกรรมฐานมาเขาใกล้จะบรรลุอยู่แล้วไหมเหมือนนักเรียนเนี่ยคนเขาเรียนมาสายวิทย์ เราไปให้อีกสายหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจยังบางทีมาคนละสายเลยเราไม่สอบถามอะไรเขาเลยก็ฝืนใจเขาแทบแย่บางทีใช่ไหมไม่ใช่ฝืนใจปัจจุบันนะในสังสารวัตรเนี่ยบางทีเขาเดินมาสายนี้จะถึงอยู่แล้วใช่ไหมแม้เขาจออยู่แล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนสายเขาซะเนี่ยโอ้โหเลยหมุนอีกไกลเลยตอเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเนี่นี่ก็เรียกว่าการคนให้กรรมฐานต้องตาไม่บอด ก็หมายความว่าเอาคําสอนของพระเจ้าให้เนี่ยสะดวกและสบายใจแล้วไม่เปราะแล้วไม่เป็นอันตรายกับตัวเองด้วยก็หมายความว่าเนี่ยพระเจ้าสอนกรรมฐานอย่างนี้คุณบริหารดูคุณจะรู้เพราะทุกกรรมฐานเนี่ยแม้แต่พุทธานุสติก็เป็นปัจจัยการบรรลุได้อะใช่ไหมจาคานุสติก็เป็นปัจจัยการบรรลุได้ศีรานุสติก็เป็นปัจจัยการบรรลุได้พุทธาธรรมาสังคาศีรานุสติก็เป็นปัจจัยการบรรลุได้พุทธาธรรมาสังคาศเป็นปัจจัยการบรรลุได้หมดน่ย แค้คุไม่ต้องกล่าวถึงในเรื่องของไงวิปัสสนาที่กําลังไปที่ที่เดินเดินเดินอยู่ไหมเพราะอะไรแต่เขาต้องเข้าใจนะว่าจากพุทธานุตตรมาต่อมาต่อในการที่จะเจริญวิปัสสนาญาณยังไงถ้าถามบอกว่าพระสารีบุตรสอนแม่ด้วยพุทธานุตตร์ไหมไหมแล้วแม่ทําไมได้บัลลุ่นั่นเห็นไหมแล้วก็การฟังทำเนี่ยถ้าถามว่ากรรมฐานอะไรเอาธรรมจากรวมฐนสูตรเนี่ย กรรมฐานหมวดไหนอ้าวผู้จ่าแสดงทำประจักรพระวันสูตรเออกับพระวันสูตรใช่ไหมเอวเมตุตังเอวกลางสมัยยังพระวานี่พาราณเจงวิหารสิสิบเทเรต้นิยมเพราะแสดงจบปุ๊บแล้วได้บรรลุเลยแล้วกรรมฐานอะไรดีนี่เห็นไหมเราอย่าลืมนะว่าการฟังธรรมเป็นปัจจัยในการบรรลุใช่ไหมจ้ะถึงบอกว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย บางคนเขาฟังแล้วเนี่ยเขาตามอัธยาศัยของเขาที่เขาจะเดินเนีตามอัธยาศัยเพราะในสูตรจริงๆเนี่ยเขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเบสเสร็จเนี่ยเขาก็เขาก็ไปชุมงลงสู่กระแสของขันธ์ธาตุละเอียดนะเป็นต้นแล้วให้สังเกตดูนะว่าบางองค์พอฟังเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละสูตรนี่นะฟังเสร็จแล้วโอ้โหทั้งอะไรสมถาวิปัสนามาเพียบนเลยยังเหมือนกับพระเถระมีรรษาตั้งร้อย อภิญยาพิอับเลยแล้วมายันได้ยังไงเนี่ยแล้วไปใช้เวลาเข้าป่าจเจริญไหมใช้ไม่ใช่เนี่ยต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องอัตถะในคําสอนต้องชัดแล้วเราจะได้ฟังทำไม่เป็นฟังทำยังไงสาธยายทำยังไงตรึกว่าทำยังไงใช่ไม่มแล้วก็แสดงทำยังไงแล้วก็ในสุดจริงๆเอากรรมฐานที่เราศึกษาแล้วไปบริหารอย่างไรที่จะเป็นปัจจัยเกีกับการแทงตลอดไอ้นี่ต้องเข้าใจนะุตรงนี้ก็คือ พราเดี๋ยวนั่นไปนั่นมาเดี๋ยวจะไปขัดคําสอนพระเยริยังไงเราต้องทำให้มัน ต, ตรงกันแล้วกันสัทธาเดวมนุษย์สาราังก็คือเป็นสอนุตตรบุริ ษ, ษธรรมนี้แปลว่าเป็นผู้ท ร, รมานหนึ่งที่ได้กล่าวแล้วนะในไตรภพด้วยนะเนะช่นในกาลมาภพพระเจ้าทรมานคนนี้เป็นพระอาริยบุคคลเยอะแยะหมดในรูปประภพก็เยอะแยะไปหมดแม้ในอรู ป, ประภพถามว่าพระอาริยะบุคคลในรู ป, ประภพมีเยอะไหมในอากาสาราญาตนาภูมิมีพระโสดาบันสกท า, า น, นาคามีพระฐานไหมมีไม่มี ที่ทำไมตอบเบาเงินถ้าคนศึกษาจะรู้ว่ามีใช่ไหมในวิญญาณัญจายตนาภูมิก็มีอากิจัญญายตนาภูมิก็มีมีเนวะสัญญานาสัญญายานาภูมิก็ยังมีพระอริยะบุคคลเลยสรุปแล้วก็คือในไตรภพเนี่ยมีพระอริยะบุคคลเว้นในไบยภูมสิสี่ในไบยภูมิสี่ไม่มีพระอริยะนะใครอยไปนะห้า <c oughs> <c oughs> เด็ขดขาดเพราะว่าถ้าไปในไบยภูมสิสี่หมดสิทธิ์แล้ว ไม่มีการประชุมฟังธรรมด้วยในนั้นไม่มีเลยใช่ไหมขนาดเกิดเป็นพญา น, นาคเอพญา น, นาคเป็นเป็นเดรัจฉานไหมเป็นเดรัชฉานเนเาะแต่พญา น, นาคเนี่ยเออท่านมีอิทธิฤทธิอยู่อย่างเนาะแต่ไม่ใช่ทุกจำพวกเนะเออวินาคไม่ใช่ทุกจำพวกทีนี้ในจำพวกที่สามารถที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็สามารถที่มาฟังธรรมก็มีมาบวชก็มีเงี้ยเป็นตนน้นนะ ฉนันพระเจ้าก็เป็นผู้ทรมานสัตว์เหล่านี้ยแล้วสัตถาเดวอนุสาังก็คือเป็นบรมคูให้อวาดสูงสัตว์แก่ฝูงสัตว์นะแก่เทวดาและมนุษย์พุทธวิเณยทั่วโลกสันนิวาสให้รู้ถึงคุณธรรมมันมีผลเป็นสุขวิเศษมีพระนิพพานธรรมเป็นที่สุดได้ก็สรุปตรงนี้ก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นบรมครูคือสอนมนุษย์เนี่ยสอนเกี่ยวในเรื่องของ ประโยชน์สามให้กษัตริย์โลกอ่ะทั้งทิฏฐาธรรมิกะทประโยชน์สัมปราญิกถทประโยชน์และปรมัตถประโยชน์ให้กษัตริย์โลกก็คือตามตามสมควรแก่ประโยชน์นั้นๆตรงนี้ต้องต้องต้องคิดให้เป็นนะเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยฝากให้คิดตายคิดอะไรได้ไหมใครที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยใครเคยศึกษาในอรรกฐูปรมัสูตรมาบ้าง มีไหมครับลองยอกมือหน่อยดิอ๋อมีเลอเอาใครเคยฟังมาไมกอมีแ ม, ม่ชีคนหนึ่งอาชีน่าจะได้ฟังอาชีถามหน่อยไม่รู้จนะัก เ, เคยศึกษาเคยฟังอารักขาโทรปรมาสูตรไหมอ๋อ นี่นี่จะอ่ะงั้นงั้นงั้นตรงนี้ที่ที่ถามนักบวชเนี่ยคือต้องการรู้นักบวชคงจะจะจะศึกษาทีนี้ในอรักรโทรปรมาสูตรใช่มอริฏฐาพิคุเนี่ยแกเป็นแกเป็นพระหรือท่านท่านเป็นพระเข้ามาแล้วก็มาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าถามว่าแตกฉานไหมต้องบอกแตกฉาน แต่พอมาศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาเบเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยการศึกษาไม่ดีเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรตัณหาสมุปัสนาไม่เข้าใจมานะสมุปัสนาไม่เข้าใจทิฏฐิสมุปัสนาไม่เข้าใจญาณ น, นะสมุปัสนาตัณหาสมุปปัสนาการพิจารณาด้วยตัณหา มานะสมุทตัดปัศนาคือพิจารณาด้วยมานะทิฏฐิสมุท ป, ปัสนาคือพิจารณาด้วยทิฏฐิพอไม่เข้าใจตรงเนี้ยเลยไปเข้าใจว่าตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเป็นวิปัสนา <c oughs> เป็นตัวเป็นตัวที่จะเวลาฟังธรรมสอนคุยวเจ้าก็เลยฟังด้วยตัณหาฟังด้วยมานะฟังด้วยทิฏฐิศึกษาด้วยตัณหาศึกษาด้วยมานะศึกษาด้วยทิฏฐินักเข้านักเข้าก็ไปเทียบเคียงผิดพลาดยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าสอนเรื่องกามาคุณมีโทษมากมีความครับแค้นมากใช่ไหมโทษของการมมีโทษอย่างยิ่งด้วยเรามีอุปมาเยอะแยะหมดเลยอุปมาเหมือนลุม่านเพิงบ้างอุปมาเหมือนเกี่ยวกับเรื่องเขียงหันเนื้อเป็นต้นใช่ไหมอุปมาเหมือนกับเกี่ยวเรื่องของคบเพลิงที่จุดแล้วก็เดินวิ่งไปข้างหน้าแล้วไฟมันก็จะรนเผาตัวเองตายยังไงเป็นต้น